มึสร้างจังหวเนะเพลินเดี๋ยวเพลินนะฟังหลวงพ่อเพลินว่ลืมสร้างจังหวะเหมือนกันนะบางทีแล้วก็ฟังเราก็เพลินแต่บางคนเมื่อฟังไปแล้วสร้างจังหวะฟังไม่รู้เรื่องว่างนะเพราะสติยังไม่เข้มแขง็งก็ลองๆองดูนะเอาเอาใจมาไว้ที่มือแต่ว่ามาสนใจเรื่องที่ข้างนอกสัก 30% ก็พอแล้วแต่มาสนใจที่กายของเราสัก 70% ซเพื่อที่จะไม่ให้มันเพลินไง แต่ถ้าทุ่มมาสนใจตรงนี้เจ็เอร์ซนี่ยเพลินละมันหลุดออกมาทีนี้จะให้เห็นว่าตัวง่วงมันมาจากยังไงมันถึงมีอิทธิพลนักหนาและใครมาปฏิบัติก็ขาดแต่เรื่องนี้แหละเพราะอะไรก็เราก็จะเชี่ยเห็นรากเห็นรูดเห็นที่ไปที่มาของมันถ้าสมมุติว่าเราเห็นรากเห็นรูที่ไปที่มาเราก็จะเห็นโทษของมันใช่ไหมเมื่อเห็นโทษพอเห็นโทษเราก็จะระวัง แต่ถ้าเราไม่รู้ลากลูที่ไปที่มาของมันเราก็ไม่เห็นโทษมันก็ไม่ระวังเพราะไม่ระวังแล้วก็ไปติดอยู่แค่นั้นน่ะวันวันจะหาเรื่องแต่ง่วงแต่มันต้องง่วงเพราะไอ้ตัวง่วงมันทําให้จิตมันกําลังเป็นสมาธิไงแต่มันยังขาดสติอยู่เพราะตัวสมาธิแับตัวง่วงมันตัวเดียวกันนะแต่เพราะมันขาดสติตัวสมาธิมันก็เลยไม่มีกําลังมันก็กลายเป็นตัวง่วงอย่างพระโมคลานะเนี่ย ท่านง่วงอยู่ตั้งหกเจ็ดวันอเออพระพุทธเจ้าดูโอ้ไม่ไหววันที่เจดนี้ท่านเดินไปแอ บ, บดูเลยแต่เราก็ต้องยกย่อ ง, องาศาสดาเราหน่อยว่าเมื่อพระโมคคารณะบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่นั่นพระองค์ได้สองพยานได้เห็นว่าพระโมคคารณะกาลังง่วงอันนี้เรายกย่องาศาสดาของเราเราก็ต้องพูดอย่างนั้นใช่ไหมแต่ความจริงท่านอาจจะไปเดินแอบบเดินจงกรมอยู่ห่างๆก็ได้สังเกตว่าพระองค์นี้เอาจริงไหมใช่ไหม เกตเอ๊ยมันมง่วงมาทั้งหวันง่วงอะไรกนันนะะท่านก็เลยเข้าไปเอ้าท่านก็ตบหลองอ้าตื่นตื่นต่นอ้ามาแล้วอาจารย์ของเราทําไงลุกขึ้นไปไปเอาอะไรมาไปเด็ดดอกหญ้าใบาไม้ก็แวมาปัน่นหูให้มันเือดปุกประสาทตั้งงันปั่นปั่นออเอาตื่นขึ้นมาอ้าไปนั่งสร้างจังหวะต่อไม่รู้ว่าสร้างจังหวะหรือนั่งสมาธิก็ไม่รู้นะมันมง่วงง่ายขนาดสร้างสมาธิก็ได้ สักพักพอท่านบอกท่านอุบาสิแล้วก็แอบไปเดินอยู่ข้างหางนู้นนะสักพักเอาอีกแล้วนั่งเงาะเงอกเงาอีกแล้วเอ้าตื่นตื่นตืนมองไปไกลนู่นมองดูต้นไม้ใบหญ้ามองดูแสงพระอาทิตย์ดูโน่นนอย่าไปมองอยู่ที่เดียวมันง่วงเงันอทําไปก็มองไปเรื่อยมองไปนี่เข้าเนี่ยก็เพลินอีกแล้วเงาะงงาะอีกแล้วอ้าวขอกมาจบจบตื่นตื่นลุก ไปล้างหน้าก็ไปล้างหน้ากลับมาสักพักหนึ่งเอาอีกแล้วง่วงอีกแล้วโอ้โหเอาเอางี้ลุคเดินตรงนั้นเดินจงกรมเดินไปสักพักหนึ่งเดินสั่ซัดสูเซ่นะออกล่องออกทางมึงท่านก็ไปนั่งไปนั่งเอ้ง่วงต่ออีกแล้วแก่อยู่10ทางในที่สุดพวกบอกว่าเอาอี้ไปนอน บอกให้ไปนอนเลยนะแต่มีข้อแม้ว่าต้องนอนตะแคงขวาเท่านั้นเอาไอ้มือขวาคำ้ำศรีษะนะนอนแบบปางศีหาสยาดะ่ะแบบเดียวกันนั่นแหละนอนปรากูว่านอนไปสักพักหนึ่งไปหน้าไปไงวูบลงไป <laughs> ไปกระแทกดินเลยอะ่ะพอหน้าโควงลงไปปั๊บมันพร่ขึ้นมาเลย พอปลงขึ้นมาปรากฏว่าตื่นอย่างแรงท่านบอกว่ า, าวิชามันแตกไม่ใช่หัวแตกไม่ใช่หน้าแตกวิชามันระเบิดแล้วท่านก็เข้าใจทะลุทะลวงธรรมะได้หมดเลยทีนี้เป็นเรื่องเล่าพระทั้งหลายก็ถามว่าเอ๊ะทาไมมาถามพระองค์ว่าทําไมพระมหาบุคคลน่ะพระพุทธเจ้าเล่าให้พระฟังก่อนใช่ไหมว่าไอ้วันนี้ไปไหนมาไปแก้ใช้อุบายทั้งสิบอย่างถึงจะผ่าน พระเขาถามว่าทำไมเป็นดักหนาสางหูขนาดนั้นก็เพราะว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยบําเพ็ญเป็นฤๅษีมาหลายชาติมากเมื่อฤๅษีแต่ละชาติเนี่ยฤๅษีก็ ค, ค, คือนั่งสมาธิอย่างเดียวใช่ไหมนั่งบำเพ็ญตาบะเพราะฉะนั้นตัวกําลังของมิจฉาสมาธิที่มันครอบมาทุกชาติเนี่ยมันมาเป็นตัวนี้มันกลายมาเป็นตัวง่วงเนี่ยมันถึงได้ง่วงระเบิดเถึกถึงไง พราะเมื่อก่อนเนะี่ท่านเพลินต่อการนั่งไม่มีพิธีอะไรใช่ไหมแต่ว่าจิตมันไม่ไปสู่ตื่นรู้ไม่ได้งไงท่านถึงไม่บรรลุธรรมแต่พอพุทธเจ้ามาแก้บรรลุขึ้นมาปรากฏว่าท่านบําเพ็ญมหาฤกษีมาหลายชาติมากสมาธิก็เลยเป็นมิจฉาสมาธิกลายมาเป็นตัวง่วงเพรานะนั้นตัวง่วงคือมิจฉาสมาธิตัวตื่นรู้ตัวตั้งจิตจะเป็นสมมาสมาธิตรงข้ามนะ หลังจากท่านบรรลุธรรมแล้วทําเปอย่างเงี้ยตัวสมาธิที่ถูกบําเพ็ญสั่งสมมาหลายชาติเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสมาสุนิปปะเป็นฤทธ์เลยทีนี้เป็นฤทธ์เป็นเดชเป็นอะไรเป็นพลังที่มหาศาลมากเลยเพราะฉนั้นมหาวโรณาจึงเป็นผู้มีฤทธิ์มากเพราะท่านเป็นมหาฤๅษีมาก่อนแต่ฤทธ์ตัวนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงเป็นตื่นโพงไม่ได้มันกลายเป็นอะไรนิวร์เพราะฉะนั้นจะเขาว่าตัวนิวร์กับตัวสงบเนี่ย มันก็คือตัวเดียวกันแต่เพราะเป็นมิจฉาสติมันจะกลายาเป็นนิวรณ์พอเรามาเป็นสัมมาสติปั๊บตัวสมาธิก็กลายเป็นสมาสมาสธิเ <c oughs> สริมพลังเลยทีนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นผู้ที่ท่านบางคนมีความท่านบรรลุธรรมแล้วท่านมีความคลัง่งมีศักดิ์ศรีมีอภิญญามีวิชามีปฏิสัมพิทาอะไรเพราะท่านมีฐานสมาธิมาก่อนบำเพ็ญมาหลายชาติแต่กว่าท่านจะผ่านมาถึงขั้นนั้นได้ท่านต่อต่อสู้ นิวรณ์ขนาดหนักเมื่อนต่อสู้ความม่วงความฟุ่งซ่านอะไรต่า ง, ย อ, ยางอันนี้คือแม้แต่ตัวสมาธิเราก็เพลินใช่ไหมถ้วเพลินแ้วมันก็เป็นมิจฉาสมาธิทาให้เกิดภาของเราส่วนใหญ่ก็เป็นไปอย่างนั้นหมดนะนก็ไดออกมาหลวงพ่อคูนน่อใช่ไหมหลวงพ่อของจารทั้งหลายของเราเนะรูปเหรียญทุ่วบ้านทุ่มเมืองก็เพิ่มมาจากสมาธิัวนี้แหละเสษครั้งศักดิ์สิทธ แต่ว่าพอเปลี่นมาเป็นสมาธิภาพบนกลายมันเป็นฤทธิ์ทางปัญญาใครเป็นฤทธิ์ทางปัญญาภาษาลิบุตรใช่ไหมแต่พระมหาบุคลามีฤทธิ์ทางสมาธิแต่ว่าภาษาริบุตรเป็นฤทธิ์ทางปัญญาเพราะฟังเวทเพราะฟังธรรมเทศนาชื่อเวทนาปริหาสูตรอันนี้จะเล่าในวันต่อไปนะเอานี้แค่ภาษาลิบุตรก่อนทีนี้เรามาดูว่าพ่อให้หละไเราจึงง่วงอ่า ก็เยถึ ง, ง่วงส ม, มุลง่วงตัวนี้นะชื่อมันอะไรนะง่วงตัวนี้ชื่อว่าถีนะเนาะถีนะมิธใช่ไหมถีนาะมิทะนี่แปลว่าง่วงเอาห้านอนอิทะเนี่ยมันแปลว่าฤทธิ์นะถีนาะที่นี่แปลว่ามีฤทธิ์ทางด้านครอบงาให้จิตมัน มันออกจา ก, ก, าานะอกอาใจแล้วได้ถีน่านี่ไปขโมยนะมาบอกอิท่มันขโมยใจเราได้สําเร็จอะขอมง่วงเอะ <c oughs> <c oughs> ถีน่ามิทะพอขโมยใจเราออกแเราก็คล้องตัวไม่ได้แล้วใช่ไหมเง็บง็บเงบเงบ็งบเงบ็งบถีน่มิทะาแปลว่ามารมาขโมยใจเราไปแล้วแล้วขอเราก็จะตกตาเราก็จะปลือตอนไหนที่รู้สึกซึมซึม ง, ง่ว ง, งงให้รู้ว่าตอนนั้นใจเราเป็นไงถูก ถูกมารลักไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าไม่เรียกตัวผู้ท้ามาช่วยไปไงเราก็ไม่ตื่นแล้วทีนี้ทีนี้ตัวถีนมิทะคือความงงเหงานอนนะความงงความงงเหงาความงงเหงานี่เกิดจากอะไรที่ว่าเมื่อวานนะ่ะว่าถีนมิทะตัวนี้คือความงงเหงานอนแต่ว่า กลัวเราจะมาเพลินกับไอตัวถีนามิทะนี่ได้เนี่ยมันมาจากเวทนาตัวไหนเพราะว่าตัวขี้เกียจ ต, ตัวอ ย, อยากได้อย่างใจตัวตามใจเนี่ยมันมาจากกามฉันทะเป็นนิวรณ์ตัวที่หนึ่งใช่ไแลพยาปาทะคือความหมงุดหงิดหงนโหวยไม่สนุกมันอึดอัดขัดเคืองตัวนี้ไปแล้วพยาปาทะมาจากโทสะใช่ ถีนมิทะนี่มาจากโมหะราคะโทสะโมหะเนี่ยก็มาจากตัวนิวรณ์ทั้งสามตัวนี่แหละนิวรณ์คือกามฉันทะก็แปลงตัวเป็นราคะใช่ไหมพยาบาทก็แปลงตัวเป็นโทสะแล้วก็ตัวโมหะนี่มันกินถึงสามตัวถีนมิทะอุทจจะวิจิกิสาสามตัวมาจากโมหะตัวเดียวตัวเดียวนี่กินถึงสามตัวเลยเพราะฉนั้นในขณะที่เราง่วงในแสดงว่าโมหะเข้าแล้ว ก็เลยกลับไปเมื <vrai> ่อวานก่อนว่าต <to you>, ัว <allowed> ที่เราสวดเมื่อกี้คือสุขเวทนาใช่ไหมสุขังเวทนังเวทียะมโนสุขังเวทนังเวทียามีติปชาติสุขเวทนานี่สุขเวทนาสุขเวทนานี่แปลว่าอะไรความสบายกายนั่งอยู่นี่สบายไหมมีความสุขไหมมีความสุขความสบายกายนะ ที่ได้ความสบายกายเนี่ยเราเราก็ยังไม่มีสติตามรู้ใช่ไหแเราก็เสพพอจิตเสพความสบายกายปับ๊บมันก่อให้เกิดตัวที่สองดูตัวนี้ก่อนนะก่อนที่ไปถึงตัวตัวพอใจเรียกว่าโสมนัสอ่ะโสมนัสสวทนาตัวนี้ก็แล้วกันนี่ความพอใจ ความสบายกายก่อให้เกิดความพอใจเรียกว่าสมนัติสวทนาทีนี้เราก็เนื่องจากสติตื่นรู้ของเราเยังไม่แข็งใช่ไหมถึงพอใจเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันไหลามาหาตัวนี้แล้วเรียบร้อยแล้วเพราขาดอะไรสุขเวทนาที่ประกอบด้วยอวิชชาคือขาดสติใช่ไหมเราไม่ได้ตามรู้เนี่ยมันสบา ย, บายก็ฉันก็ต้องการอยู่ด้วยสบายเนี่ยใช่ไหมมันก็เข้าทางของเราพอดีเราก็ไปเสพพอเสพปั๊บเกิดสมนัตสเวทนา พอความพอใจเกิดขึ้นเราตามรู้ได้ไหมไม่ได้เพราะสติเรายังอ่อนอยู่โสมนสะเวทนาก็กลายเป็นอะไรอันที่สามกลายเป็นอภิชาไม่ใช่อภิชานะอภิชาอภิชานนี่หมายถึงว่าเราต้องการที่ความพอใจนี่ให้มากขึ้นสมมติเรานั่งแค่นี้รู้สึกสบายแล้วใช่ไหมความหนักขาก็หายไปแต่แค่นี้พอไหม ว่าน่าจะสบายกว่า น, นี้หน่อยใช่ไหมค่อยพิงหน่อยก็แล้วกันอ่ะอภิชาแล้วพิงแล้วลูกสิษย์มนเผลอนั่งไปเรื่อยๆเพราะนั้นพทุทธเจ้าบอกว่าให้ตัดอภิชาถ้าตัดอภิชาไม่ทันมันจะเดินไปตัวที่สามอาภิชาก่อนให้เกิดอะไรเกิดนันทิเพล่แล้วแต่บอกว่าตัวนี้มันมันมันนี้เกินไปมันร้ายยากบอกให้ไปตัดร้าที่นันทิแล้วนันทิมาจากอะไรก็ามาจากตัวอภิชาอาภิชานี่แปลว่าอะไรนะ อภิช า, าเพ่งหาความเพ่งหาเพิ่มเพิ่มดีกว่านะเพิ่มความพอใจให้มากขึ้นเพิ่มหาความพอใจหมายความว่านั่งตรงๆไม่พอต้องได้เองอย่างนี้เป็นต้นนะนะมันจะสบายมากกว่านั้นอีกเป็นอภิชาอภิชาแปลว่าความพอใจในการที่จะให้ความสบายให้มากขึ้นมันก็มาเกิดมาเป็นนันทิแล้วทีนี้นันทิ แทนที่จะเป็นนี่ก็เป็นนั่ที่ก็เป็น enjoy แล้วเพราะนั่นที่เรามีสติตามทันไหมตอนนี้เรามามุ่งลดตัวที่สี่นะเพราะตัวที่หนึ่งสติแล้ก็ไม่พอที่จะรู้ทันตัวที่สองก็รู้ไม่ทันตัวที่สามมัรู้ไม่ทันพระพุทธเจ้าบอกเอางั้นมารัดตัวที่สี่ก็แล้วกันตัวที่สี่ก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกอแค่เราเพลินในสักอย่างใครมาเบล็กแล้วก็เป็นเรื่องอะใช่ไหมเราก็ต้องมารีซิตลีซัใหม่ตัวนี้ความเพลินเนี่ย enjoy ความเพลิน เรเพลิงแล้วทีนี้วันนี้เรามาเริ่มตัวนี้ก่อนถ้าหากว่าสติเรามากขึ้นก็ยัมาทันตัวที่สามสติ เ, เราเข้มขึ้นเร็วขึ้นก็มาทันตัวที่สองสติเรายิ่งเข้มขึ้นอีกมาทันตัวที่หนึ่งโอที่หนึ่งเป็นวิสัยของพระอรหันต์ไปแล้วเราไม่ทัน เ, เราแค่ว่าตัวที่สี่ทันก็ขอให้ให้ได้กันแล้วกัน <laughs> ใช่ไหมอ่าพระอรหันต์ทันสุขเวทนา พระสกีธาพระนาคาทันโสมนัสสาวทนาพระสกิทาทันอภิชาพระโสดามาทันนันทิเราทันไหมเริ่มนะเริ่มเป็นโสดาปฏิมัติก็ดีอย่างนี้เริ่มที่จะทันในความเพลินแลแต่มันจะเพลินเรื่อยๆทำเท่าเผยสถิตท่าจะเพลินเรื่อยๆนะอ้าวพอเพลินแล้วก็ยังละไม่ได้อีกมันเกิดตัวที่ห้าตัวที่ห้าพอนันทิก็เกิดราคะ ออกามาฉันทะก่อนอ่านิวรมาตัวที่ห้านี่กามาฉันทะมามาเป็นตัวนิวรตัวที่หนึ่งเลยเนี่ยแต่ว่ามันเป็นรากของที่ห้าของสุขเวทนาแต่พอมันมาเป็นตัวที่หนึ่งของตัวนิวรคือกามาฉันทะพอใจรักใครอยากจะให้ความนั้นเที่มมีความมากขึ้นกินอาหารก็กินเยะมากขึ้นนอนก็อยากจะนอนให้ยาวกว่า น, นี้เออเวลาคุยกันก็อยากจะคุยไม่จบคุยไปเรื่อย เป็นการมฉันท่าล้ใช่ไหาทำไปทํามามันไม่สนุกฉันก็อยากจะนอนพวกนี้เป็นกรมวชันท่าหมดอยากจะเลิกกรมวชันท่เข้าขี้เกียจขี้เกียจมันสบายใช่ไหมเป็นการมวชันท่าหมดเพราะฉนั้นกรมวันท่าในกรรมฐานมันไม่ใช่เป็นเรื่องเซ็กแต่มันเป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์ที่มันสนุกสนานและอยากจะให้เพิ่มจํานวนขึ้นเนี่ยตัวที่ห้าละกรมฉันท่เราก็ตามไม่ทันอีกมันเรียกเกาะขึ้เกิดตัวที่หกตัวที่หคืออะไร ราคาอ่าหนักเราเดี๋ยวนี้เป็นราคะนันทิราคาเวลาในธรรมจักรท่าใช้กว่าตัวนันทิราคาบินมาด้วยกันไงแต่ก่อนที่จะเป็นราคาบินผ่านกรรมะฉันทาก่อนเป็นตัวที่หกคือราคาราคากรรมะฉันทาแปลว่ า, าความติดใจในอารมณ์แปลความติดใจในอารมณ์แล้วราคานี่แปลว่ า, าความ ไข้พลอยใจในอารมณ์นั้นนั้นลอมไข้พลอยใจนี่พอมาเป็นราคะแล้วเราก็ไม่ทันอีกราคะก็แปลงตัวเป็นอะไรตัณหาราทีจิตกัณหาความอยากตัณหานเมื่อก็มีอาการแล้วใช่ไหมมีอาการข่อยคว้าโอ้ มันอร่อยเดี๋ยวหาตังไปซื้อเพิ่มหน่อยร้านไหนเนี่ยอาหารเนี่ยร้านไหนนะไปหามองหาร้านนี้ห้าดาวใช่นะอาหารไทยเวลาหิวอาหารขึ้นมาั้งใดนึกถึงร้านนี้ทุกทีใช่ไหมทช่ไหมลืมตัวมันก็จะมาทั้งหมดเดิมหาตังอโอ้ชุดแพงนะตั้ง8 0 6 0 80ดิเหรียญชุดเนี้ย งานวันเท่าไหร่วันร้อยสงองรไม่ได้มันก็เริ่มเพิ่มงานแล้วใช่ไหมตันหาก็ขับเราในช่วงที่เราแสวงหาตามอยากความได้อย่างใจบ้างไม่ได้อย่างใจเกิดตันหาเกิดถ้าได้อย่างใจก็เปิดอะไรแปดถ้าได้อย่างใจก็เป็นกามะใช่ไหมกามะตันหาบางวันมันไม่ได้อย่างใจก็เกิด9้าคืออะไร ถ้าได้อย่างใจก็ติดใจก็เป็นภาวะตัณหาติดยึดในสิ่งนั้นถ้ากินอาหารอร่อยก็เกิดเป็นภาวะตัณหาถ้าไม่อร่อยไม่พอใจก็เป็นสิบก็คืออะไรวิอะไรวิภาวตัณหาดูรากมันงอกจากสุขเวทนาตัวเดียวที่ตามรู้ไม่ทันเนี่ยมันรากรากมันงอกมาเรื่อยเรยวิภาวะตัณหาถ้าการมัตหาวิภวะตัณหานี่การมัตหาไปความติด ความอพอใจวิภาวะตันหาถ้าไม่ได้อย่างใจมันเกิดวิภาวะไม่พอใจไลค์ like and dislike แต่ตัวที่มันครองความพอใจไม่พอใจอยู่ ก, เก็เรียกวิเรียกภาวะตันหาภาวะตันหาเช่นได้ของมาแล้วตอนแรกก็หาของนี่โอ้ได้มาโอ้ไม่ได้นี่เอาเ ป, เปนนรียบเทียบคนละรุ่นของเรามันรุ่นนี้อยากจะได้รุ่นดีอย่างเพื่อนเราไม่พอใจเรื่องที่เราได้มาตอนแรกอตอนแรกได้น ốt สามาใช่ไหม เ, เพื่อนมันมีโน ốt แปนี่ ไม่พอใหญ่ในโนต้ตแปดเราเป็นวิพาวัฒนามันมันก็เปลี่ยนไปมันเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาพอลอกลากงอกเป็นวิภาวะแล้วเป็นไงไม่อยู่แค่นี้กลายมาเป็นรากที่ส1บคือโลภะมาแล้วนี่ตัวจริงมันน ะ, ะโลภะเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเวลาเป็นพระเนี่ยท่านให้ระวังเรื่องราคะเวลาเป็นโยมท่านให้ระวังเรื่องโลภะ ควมจริงมันตัวเดียวกันนะแต่ว่าโลภะนี่ไปลบเรื่องวัตถุใช่ไหมแต่พระนี่ไปยุ่งกับเรื่องวัตถุมากไม่ได้แต่ยุ่งกับอารมณ์เพราะต้องระวังอารมณ์ที่ราคาแต่ไปยุ่งกับวัตถุมากยุ่งก็มันอิ่มเรื่องอารมณ์เซ็กแล้วเนี่ยใช่ไหมก็ต้องการสมบัติแล้วทีเนี้ยต้องการบ้านต้องการเลือนต้องการรถต้องการแฟนคนใหม่ต้องการของสวยๆนี่เป็นโลภะโลภะแล้วมันพอแค่นี้ไหมไม่พอไม่พอก็เกิดแล้วไปลาก 12บสองเขาเรียกว่าเป็นโลภาเกิดบ่อยๆเป็นนิสัยแล้วที่เป็นโลพานุใสเป็นโลพานุส s โลภานุส s a n c พอได้มาแล้วสมมติราโยมได้โทรศัพท์ยี่ห้อดีที่สนะุดเ น, นี่ยเอหเนาะโนนตอหได้มาโอ้โหรักษาอย่างดีเลยนะบอกหลวงพ่อบอกอาให้มาใส่บาทให้ก็ไม่ยอมใส่นเลย เออเพราะ อ, อะไรเพราะมันมีตัวที่ที่สิบสามขึ้นมาเขาขเรียกว่าการ ม, มุปาทานยึดไว้กลัวหายการมุปาทานนี่เรามีตัวนี้อยู่อุปทานว่าโทรศัพท์นี่ของเราเราจะต้องใช้อย่างง้นอย่างนี้นะไม่ไป็นไรงพ่อหนูปิดไว้ก็ได้ไม่เปิดก็ได้แต่เวลาชิดไครขึ้นมาไปแอบเปิดหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อความปลอดภยัยหลวงพ่อเลยึดมาไว้ก่อนก็แล้วกันแต่ว่าการ ม, มุปาทานมาแมรงหลวงพ่อรู้สึกได้กี่เครื่องมือรู้ไฟจันทร์เมื่อวานนี้ สามเครื่องเองนะสี่สิบเครื่องเนี่ยได้แค่สามเครื่องในอุยประธานแรงขนาดไหนนะวันนี้วันนี้นนต้องแฉกันหน่อยก็แล้วกันนะเพราะนั้นมันอยู่ในวงการนิบทะถ้าแต่ว่ามันสิบสามลากเข้าไปแล้วน่ากลัวไห ม, ม แ, แค่ตัวเดียวเนี่ยสติไม่ทันแค่ตัวเดียวสุขเวทนามันงอกไปเรื่อยๆรยลากเหล่านี้มันจะทำให้ต้นไม้แห่ง แห่งอะไรแห่งสุขที่เราสแสวงหาวิ่งหามันอ่ะมันก็จะยึดแน่นขึ้นแน่นขึ้นเรื่อยๆที่มันถอนยากไงแต่ว่าไม่อยากจะแชะคันนี้ก็ัยมกลัวไงโอ้ทำไมมันเยอะท่านไม่ไหวท่านไม่เอาดีกว่าแต่อย่านี่เราเป็นการศึกษาเฉยๆนะไม่ได้หมายว่าให้ละได้แต่ถ้าใครมีสติปัญญาดีเนี่ยละทีเดียวหมดเลยละแค่ตัวนี้แหละละแค่ความพอใจเพราะนั้นในสฎิปัฏฐานสูตรท่านให้ละแค่สองตัวคืออภิชาคือตัวนี้ อ่าให้ัให้ให้ใหัดตัวนี้บอกว่าอย่างไรให้ทันตัวนี้ก็ยังดีเดี๋ยวตัวที่สามเนี่ยอภิชาและโทมนัตใช่ไหมกายเกกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติบาวินนยโลเกอภิชาโทมนัตเเอาละจบไหมตัวนี้จบไหมอุปทานไม่จบมันก็จะลากต่อไปอีกเป็น 10... 1 ส, ส, สเป็นราคาโนส โอ้โหตอนนี้เป็นลูคลิกเลยนะไอ้คนไหนที่มีราคานุสยัยมีราคาจริตเนี่ยก็เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นความดึงดูดเป็นผู้ชายก็หล่อผู้หญิงเห็นก็ดึงดูดผู้หญิงผู้หญิงก็สวยผู้ชายเห็นก็ดึงดูดแล้วมันเป็นนิสัยละเป็นนิสัยเป็นบุคลิกของเขาละเรียกว่าเป็นบุคลิกกลายมาเป็นบุคลิกเพราะฉะนั้น ผู้หญิงผู้ชายไปเห็นก็กชอบกันเพราะตัวนี้เป็นนิสัยไปแล้วนี่ใช่ไหมชอบกันรักกันก็เดี๋ยวก็ทุกข์ก็ตามมาละในที่สุดล้วก็เปไงต้องไปสร้างภพสร้างชาติใหม่สร้างลูกสร้างหลานออกมาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ทุกข์ก็ตามมาแล้วทีนี้อันที่สิบห้าอย่าให้เยอะกว่านั้นเดี๋ยวยมน่ากลัวเอาแค่สิห้าลาก็พอเป็นกามาสว ะ, ะตัวกิเลสอย่างหยาบก็คือ ตัวราคะเป็นกิเลย่างแหลอยางมีครอบครัวตัวที่14น่ะไม่มีครอบครัวออมีครอบครัวเนี่ยราคานุสัยเนี่ยราคานุสัยมันครอบเรายมรู้ที่กิเลตเราใช่ไมมันสิห้าตัววันนเอาตัวสุดท้ากามนุกามาสวะ อาสวะการคือแปลว่าการล่วไหลก็ได้หรือการครอบงําของตัวกามความอยากครอบงําเราความหยบบังคับเราด้เราเสียงมันลั่นไปทั้งโลกเนี่ยเพราะตัวนี้มันขับไงเสียงเครื่องบินเสียงรถเสียงลามันดังทั้งวันทั้งคืนเนี่าเพรเสียงจากอาสวะมันไหลออกมาไงมันไหลออกมาเป็นรูปเสียงกีดรถครมไปหมดทั้งโลกโลกนี้จะถล่มทลายก็เพราะตัวนี้แหละ ออาสวะเพราะนั้นอาสวะนี้เจะไปว่าเลี ก, ก็ได้เพาอิทธิก็ได้วิ่งอิไปเซคชั่นเอเราถูกครอบงำด้วยความอากาศมาตัญหาอันนี้มันไม่ใช่เต็มน craving ฮะ <laim> ก็ได้มันมีหลายตัวนะตัญหาใช่ craving ใช่ดีไซน์เอใช่ c l a s s glass ก็ได้เ l a s s พรนั้นเอาแค่15้า15ล่างน่ากลัวเลยใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราจะต้องมามุ่งละแค่ตัวนี้ในระดับโยมเอาแค่มุ่งละความเพลินก็ก็น่าจะละพวกนี้ได้หมดละถ้าละความเพลินเพีเดียวนะเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรเพลินๆ เ, เนี่ยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติให้ให้รู้ตัวไว้ก่อนเลยฉันเพลินไปแล้วนะหยุดก่อนแจะตั้งตุนใหม่เอาทำท่าเจ็บเพลินนะหยุดก่อนตั้งตุนใหม่เอาตัวนี้เข้าไปบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็จะละนันทีได้พอละนันทีได้ขยับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ละพิชายากขึ้นไปอีกพอละพิชาขยับขึ้นมาอีกชั้นนึงขยับมาถึงนี่เลยก็เลื่อนขึ้นไปนนตั้งแต่เออแค่โซด า, นะาต่อไปฉันอยากเป็นส ก, กีทาข้างาต่อไปฉันอยากจะเป็นอนาคาว่างต่อไป เ, อเป็นพระหรหันขึ้นมาถึงนี่เลยได้แต่ถ้าหากว่าถ้าเรามาถึงนี่กว่าจะไต่ระดับขึ้นมาเนี่ยสิบหชั้นนี้โหใช้เวลาพอสมควรเพราะนั้นอย่าให้ไปไกลขนาด น, นั้นแค่ละนันทีก่อนก็เลยมารัดเอาขั้นที่สี่เลย ท่ามาเริ่มต้นขั้นที่สิตายขึ้นไปนะไม่รู้ว่าชาตินี้จบรู้ปาไม่จบแน่น ะ, ะทีนี้มาดูว่าตัวกามาฉันทาเนี่ยทำไมท่านจึงมาเป็นนิวรณ์นะเพราะมันเป็นตัวที่หลุดจากโสดาปฏิมาค์แล้วเนี่ยเป็นปุถุชนเนี่ยเป็นตัวหยาบหยาบท่านจงละตัวหยาบหยาบนี่ก่อน